มงคลชีวิตมงคลที่30สสนทนาธรรมตามการกาเลนะธรรมสากัดฉาเอตามังคลมุตตมังการสนทนาชื่อว่าธรรมสากัดฉ้า